หรือว่าจากเครื่องขยายเสียงในหมู่บ้านเกิดความไม่พอใจขึ้นมาก็จะปรุงแต่งแล้วเออทำไมถึงปล่อยให้เสียงดังอย่างนี้ได้วัดน่าจะมีนะมาตรการป้องกันนะทำยังไงดีนอถึงจะไม่ให้ส่งเสียงดังเข้ามาในวัด อ, อ่าเรหาเรื่องคิดอีกแล้วบางทีก็ปรุงแต่งไปเรื่อง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 เรียกว่านิพพานคือเรื่อความเป็นอิสระจากความปนผลปนแปรต่างๆของโลกไตยรักทําและไม่ได้อันนี้จังทุกข์องอนัตตาทําแลไม่ได้เพราะรู้ความจริงเสร็จแล้ว